มันคิดมันเนืความตรงมันแต่งมันจบจำนันนีอะไรต่างสาระการตัวอย่างท่านท่าในไม่มีใจมันก็ไม่มีอาการมากมายเราคนเราที่บ้าก็ไปก็เพาะมันมีใจนั่นแหละจึงหลงตัวลืมตัวเสียท่าน่าามันมีจิตนะมันจึงลืมตัวหลงตัวเสีย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 เนี่าระหลังของใจคือเจตสิกเจตสิกเนี่ยวุ่นวี่วุ่นวายสาระปัจุย่างปรุงแต่งนั่นนี่อะไรพินึกปรุงแต่งหลายเรื่องหลายอย่างก็อ ล, ลืมตัวเลยไ ม, ไม่ไม่หยุดไม่ยัง้งไม่เข้าถึงใจสาธทีเห็นได้เงาตางหากอยากจะรู้ถึงเรื่องใจทำอย่างอตมาพูดนั่นะ กั้นลมหายใจเหมือนกันทุกคนนั่นแหละมีหมดตัวใจแท้งก็มีเหมือนกันรั้นลมท่างนั้นหมดเลยหยุดหนึ่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันอยู่ในชั่วขณะที่เรากั้นลมหายใจใจ <c oughs> ในที่นี้จิตใจในที่นี้นัน้น อธิบายทั้งเรื่องทั้งเรื่องใจชือของเป็ น, นกลางท่านว่าจิตนในใจอ น, นั้นใจใ น, ในจิตอันนั้นแต่ม่ท่านพูดเป็นสองอย่างมันต้องแตกกันอยู่ลักษณะอาการแตกต่างกันอ่แตกด้วยเหตุนี้แหละหน่วยการทดสอบทดลองรู้ว่ามันเป็นใน ใ, นใจแท้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 ที่ศีรามันอเราไปเจียดตรงนั้นอ่ะมันวิ่งไปตามวุ่นั้น่ะแม้ที่ต้นไม้เราเอาใจไปไปใส่ต้นไม้ต้นไหยมันยังอยู่ในใจก็กลางมันข้ากาหัดจงกระทั่งต้นไม้สั่นสะเทือนน้นน่อันใจของเราก็อยู่แต่เราไม่หัดอย่ังนงเราเราหัดดู้วยเฉยนี่แ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 มโนเศษฐามโนมยาใจเรื่องของประเสริฐสำเร็จแล้วเลือใจญ่มนัสสาเจประสันเน่ะอาคติวะอาตุติวาแม้จะพูดจะจ่าสราระทุกอย่างก็ต้องใจนั้นเป็นคนถึงก่อนแต่ย่งเคยพูดตรงจาได้พูดเหมือนกับเรื่องใจงพูดเรื่องจิตจะมี จิด ต, ต่งอวัยสัณนอากยรยุกเจนกิเลเจนิติดเปของของใสสะอาดตลอดเวลาอคันทุกาจกิเลสต่างหากดอกนั่นที่มันเช้าหมองที่ที่เราเศร้าหมองนั้นอาการทุกข์กิเลคือกิเลสจอดมาแล้วเี่ แต่จิตนัน่นแหะไปนึกไปนึกไปคิดไปปุงปแต่งแต่จิตนั่นแหละไปชวนเอากิเลสมาอันนั้นท่านยัเรียกว่าจิตถ้าหากว่าจิตต่งพสะัง้ะถ้าหากจิตนี่ไม่พร้อมใส่ตลอดเวลาเราทำความสะอาดไมได้ครับจิตทุกคนทำความสะอาดไม่ได้นะ ขังไม่สะอาด จ, จะไปทำยังไงมันมันมันสะอาดมันก็ไม่สะอาดได้ธรรมชาติมันของตกปกูกระไม่สะอาดได้เลยยากที่เป็นแร่เหล็กก็ดีหรือเป็นแร่ทองคำแระแร่ทองก็ดีที่มันตกอยู่ในดินนะั้นมันไม่ทันจเป็นไม่ก้าสารก็ยังคิดไม่ได้อีก่าหูมาต้มแล้วไปฐานใด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 รู้ตัวรู้ตนนั้นแม้มันแสน้พิเศษแล้วนะจะมาหาในอีกถ้ารู้ตนนัวรู้ตนมันก็กลับตัวกลับตนได้นั่นเองเข้าโมู่เข้าสังคมได้นั่นเองรู้ตัวแล้วก็ไปหน้าเดียวใครจะว่าแห้แต่ไปหน้าเดียวไม่ยอมใครมั้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 รู้ตัวเลยรู้เลยรู้ไปเห็นรู้เลยทีเดียวแหะไอ้ น, นี่มันเข้าเพื่อนไปไน่ได้เขาบอกว่ายกนีง่ายนี่ <c oughs> นาหมู่เพื่อนเขาไม่ชอบอเขาเปล่ขนของมีอะไรหรอกมีผ้าคลอนถนอมพุทธสองตัวแล้วก็ป้าปนอยู่เลยเปิดหนีเลยการข่ามันเกอนป้าย น, นี่ก็หนี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 พูดง่ายคราวนี้ครั้งเมื่อเราเห็นอาการของจิตไปต่างๆแล้วแล้วปล่อยวางเรื่องนั้นไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางาก็วางอย่างเมันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นจริงสารพัดมันเป็นสารพัดทุกอย่างตัวอย่างแต่มันเกิดดับไม่เป็น น, น้ำไมต่างเดินแล้วเขาจะไม่ไปยึดหรอกแล้วทำไมจะส่งคือจิต ไม่ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามไปหรือหาก็ามันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องนอกเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉย อ, อยู่แค่วกว่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบ มันมีการอยู่นิ่งทำความเปลี่ยนพอนานไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันํำนี้ํำนานให้มันอยู่ได้นานครับเพราอะไรยิง่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็เดียวความสุขน้อยป็นคู่เป็นคณะ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 เราอาคงทุกแล้วกอแล้วกันหรอกชีวิตมันลำบากเือกเอกเิกเกเก น, ก ท, นทุกข์างเือเกินเอเกินมาในโลกอันนี้เราคงทุกข์เข้มข้นสลเท่านั้นก็พอแล้วนก็นม่ผ่าอย่ไรแต่ชางคือ